วันนี้พระมาชันสิบแปดงดชันสิบเอเมื่อวานมาฉันสิบสางดชั้นสิหเมื่อวานเนี่มากเมื่อวานการที่จะฉันหรือไม่ชั้นเป็นไปตามอัธยาศัยของแต่ละองค์ไม่มีการเข้มงวดขวดขันหรือว่าไม่มีการขีดเส้นให้บ่าวอดอาหารอย่างนู้นอดอาหารอย่างนี้มันเป็นไปตาม อัธยาศัยแต่ละองค์การอดอาหารก็ให้สังเกตตัวเองอดอาหารแล้วเป็นยังไงอันนี้คือผลของการอดถ้าอดอาหารจิตใจของเราสงบดีภาวนาดีความห่วงไม่มีจิตใจปลอดปรงความคิดคล่องแคล่วอันนี้เราก็อด แต่พออดอาหารเข้าไปแล้วคิดไม่ออกง่วงเงาเาข้านอนความคิดไม่แจ่มใสสติปัญญาไม่วิ่งมีแต่ความหิวเข้ามารบ ก, กวนอันนั้นเราต้องกลับมาฉันก่อนแต่ไม่ใช่จะหยุดเพียงแค่นั้นต้องทดลองอีกมันเป็นอย่างเก่าไหม ครั้งก่อนมันอาจจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติปวดอีกทดลองดูสักสองสามสีห้าครั้งมันยังเป็นลักษณะเก่าอยู่ก็แสดงว่าการอดอาหารของเราเนี่ยคงจะใช้ไม่ได้คงจะทดลองผ่อนอาหารดูตอนจะไม่ชันเต็มอิ่มทดลองผ่อนอาหารดูเป็นยังไงมันเป็นลักษณะเก่าไหมแต่ไม่แต่ชันอาหารดู ฉันอาหารไม่ต้องพูดเลยแล้วไปฉันให้อิ่นูกทดลองดูหมดพระพุทธเจ้าพาอดนนาอย่างนั้นเนี่ยพาทํำอย่างนั้นเลยแต่ว่าทดลองพระพุทธเจ้าฉันแต่ลูกกะเบาอย่างเดียวแล้วไปฉันงาถั่ว ง, งาอย่างเดียวตั้งแต่คำหนึ่งจนถึงอิ่ วันนี้ฉันคำหนึ่งวันที่สองสองคำวันที่สาสามคำจนอีกและก็ลดลงมาสรุปแล้วก็คือเป็นการทดลองทดสอบกับพระองค์เองทั้งนั้นจนที่สุดก็ได้อดปักยาหานถึง4ี่ิบเก้าวันในการอดอาหารของพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นท่านอดท่นานพระในภาวนาอดให้มันหิวเฉยเฉยอดให้ร่างกายหิว เพราะศาสนาในยุคสมัยนั้นาศาสนามีหลายหลากหลายแนวความคิดบางคนก็ทําประมาณกายที่ว่าร่างกายสูบผอมก็จะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลก็มีในยุคสมัยนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราครทดลองดูทุกอย่างเพื่อจะได้พูดได้ว่าดได้อดมาแล้วได้ทามาแล้ว เก่งนั่นไม่เกิดประโยชน์แล้วเกิดประโยชน์อย่างไรเก่งเหล่านี้พผมพุทธเจ้าได้ทดสอบทดลองมาเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงได้พูดว่ามัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางไม่ตึงนักไม่ย่อนนักทีนี้เรามาวิเคราะห์ดูว่ามัชฌิมาปฏิปทาในคํานี้นะตรงไหนจะพอบอกเราจะยึดตรงไหนยึดการอยู่การกิน การหลักการนอนเราจะยึดตรงไหนที่ว่ามัชชิมาปฏิปทาตรงนี้แต่ตามให้จริงทางที่ถูกเนี่ยมันต้องยึดทางด้านจิตใจมากกว่าเพราะเราบำเพ็ญทุกอย่างเพื่อด้านจิตใจทั้งนั้นไม่เด่นบำเพ็ญเพื่อให้ร่างกายอิ่มหนีพีมันร้ว่าร่างกายสุขผอมร่างกายทรมานให้ร่างกายจนทนไม่ไหวจะล้มจะตาย ไม่ได้ทรมานเพื่อกายแต่ก็กายกับใจอาศัยกันอยู่แต่เมื่อทรมานกายมันก็กมันกระเทือนทั้งใจด้วยเพราะนั้นการภาวนาเนี่ก็คือให้สังเกตดูใจให้ดูใจ้าตุพอกายเป็นยังไงแล้วใจเป็นยังไงพอกกายเป็นยังไงใจเป็นยังไง คือการทำที่กายแต่ดูที่ใจไม่ใช่ดูที่กายการทรมานกายแต่ใจเป็นยังไงการบารุงร่างกายใจเป็นยังไงสรุปแล้วก็ให้ดูที่ใจในหลักของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ดูที่ใจในเมื่อร่างกายหิวหหยจิตใจเป็นยังไงกระวนกระวายยังไงจิตใจถ้าว่า ร่างกายข อ, อ, อนทางอาหารจิตใจเป็นยังไงสรุปแล้วก็คือให้ดูใจเป็นหลักใจตัวนี้ก็คือมัชชิมาปฏิปทาถ้าหัวใจของเราโดดเด่นใจของเรามีภาวนาเป็นชิ้นเป็นอันสติของเราดีขึ้นแสดงว่าการทำอย่างนั้นแบว่าเป็นมัชชิมาสำหรับตนเองแต่อาจจะไม่เป็นมัชชิมาสำหรับองค์อื่น แต่อาจจะเป็นมัชชิมาเฉพาะตัวของเราเองเพราะนั้นพวกเราให้ส่องแสวงหามัชชิมาของตนเองว่าขนาดไสมันจึงจะเหมาะการอดอาหารประเภทอย่างนี้พอเหมาะไหมการฉันขนาดนี้พอเหมาะไหมการนอนขนาดนี้พอเหมาะไหมการภาวนาของเราขนาดนี้เหมาะไหมเร่งความเพียรตลอดทั้งวันทั้งคืนเหมาะไหมถ้าเราทําไม่ได้ทํามันทำไม่เหมาะใจของเรายังไม่สงบเอาเร่งขึ้นไปอีก เร่งจนถึงเอาสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเป็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกับการสองแสวงหาทรัพย์ภายนอกก็เหมือนกันการส่องแสวงหาทรัพย์ภายในก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นการภาวนาเนี่ยมันมันก็ต้องทำลักษณะอย่างนั้นคือมัชฌิ ม, มาปติปทาทางสายกลางสาหรับเราไม่ใช่ทางสายกลางสาหรับคนอื่นนะ ของคนอื่นแต่ละองค์ไอสังเกตเอาตัวเองไม่ใช่นอนทั้งวันทั้งคืนมันชิมาและเป็นกิเลสยังไงกิเลสมันพอกพูนขึ้นจนลักไม่ไหวอันนั้นมันใช้ไม่ได้แต่เราอดอาหารเป็นยังไงเราทานอาหารเป็นยังไงอันนี้ขอขอให้พวกเราสังเกตนะให้สังเกตตัวเองเราบวชมาไม่ได้บวชมาเพื่ออย่างอื่นเรามาอยู่ป่านรมพงภยัยไม่ได้มาอยู่เพื่ออย่างอื่ ถึงจะเลี้ยงกินดิบกินดีอิม่มมีพีมันขนาดไหนร่างกายอนี้ตัยังเป็นคนอื่นอยู่เสมอเลี้ยงเขามาแล้วก็แก่เลี้ยงดีขนาดไหนก็แก่ถ้าเป็นของเราเราคงบอกอย่าแก่นะเว้ยอย่าเจ็บนะเว้ยอย่าตายนะเว้ยมันก็ต้องอยู่อันนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ไม่ให้แก่มันก็แก่ไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บมันไม่ให้ตายมันก็ตายเพราะนั้นอย่าไป เลี้ยงอิ่มมีพีมันบังลุงบำเลิให้ทุกไปทำไมเลี้ยงพออยู่ได้ให้ได้บำเพ็ญดูประคับประคองไปจนถึงจุดจบอย่าไปทุกข์กับมันอะไรมากอย่าไปส่งเสริมปนเปืออะไรมันมากเนี่ยแต่ก็ต้องดูนเหมือนกับรถไงรถของเราจะไปปกแป้งแต่งตัวให้มันทุกวันมันกเท่านั้น เราก็ต้องบํารุงรักษามันดูน้ํามันพุง่งน้ํามันเครื่องอะไรเครื่องจับเครื่องย น, ง น, นต์ให้มันดูให้มันมีแล้ให้มันทิ่มนไดาร่างกายของเรากเหมือนกันถึงจะบํารุงขนาดไหนแก่เจ็บตายยังจะคอยเราอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ตายมีอยู่พระพุทธเจ้าสอนมาแล้วเพราะฉะนั้นให้พวกเราสองเสวนหาสิ่งที่ไม่ตายทําใจให้หลุดพ้นจากกิเลส นั่นแหละคือสิ่งที่ไม่ตายถ่ายดูในโลกในตายทั้งนั้นแหละอนนจงังโลกมันจังทุกขังอนัตตามันพวกเราทุกตคนนะ่นเรื่องภาวนาแล้ว่ามัจจุมาปฏิปทานเนี่ยให้สังเกตตัวเองคนที่จะเกิดปัญญาได้ต้องตั้งความสงสัยไว้ก่อนถ้าว่ามไม่คิดไนอ่านปัญญาก็ไม่เกิดแต่ถ้าว่าต้องตั้งความสงสัยไว <dr ug> อันนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเรื่องนั้นมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือตั้งความสงสัยในเมื่อความสงสัยกับกวิเคราะห์พอวิเคราะห์ออกมาก็เป็นผลรู้เหตุผลว่าเรื่องราวนี้เป็นมาอย่างไรเป็นไปอย่างไรอันนี้คือบอกเกิดแห่งปัญญาคือตั้งความสงสัยเมื่อได้ยินได้ฟังได้เห็น หรือว่าได้คิดคิดมาไต่ตรองด้วยเหตุผลแล้วเป็นอย่างนี้จากนั้นก็สงสัยขึ้นมาแล้วก็วิเคราะห์ดูไต่ตรองดูเมื่อได้ยินได้เห็น เ, เมื่อได้ฟังเนี่ยถ้าว่าเราได้คิดอย่างนั้นได้เตรียมตัวอย่างนั้นไว้แล้วนะได้ต่้งความสงสยัยอยู่ในใจไว้แต่ความสงสัยกับวิตกกังวลมันคนละเรื่องกันนะความวิตก ี่ตกจัดิบอันนั้นใช้ไม่ได้ตกือตกกเรื่องนี้ตกเครื่องนี้ไม่ใช่นะคล้ายๆกับสงสัยคล้ายๆว่ะไม่ใช่ี่ตกเรื่องนี้มันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ า, เ, าเรื่องนี้มันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอย่างเนี้เราจะใช้การสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดสังเกตอันนี้ปัญญาก็จะเกิด ในที่ทุกสถานในเรื่องราวต่างๆทั้งคดีโลกและคดีธรรม่างว่าเราสติอยู่กับตัวเองแล้วก็ให้สังเกตใตั้งความสงสัยในใจไว้ว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงถึงมันจะดีก็เถอะแต่มันดีเพราะอะไรถึงมันจะเร็วกว็เถอะมันจะเร็วเพราะอะไรต่างว่าเราตั้งความสังเกตไว้ อีกสักวันหนึ่งเราก็จะเรียรู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นมาเพราะ เ, เรื่อนั้นเกิดนั้นเป็นมาเพราะอันนี้โล ก, กอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้แหละถ้าเราไม่คิดไม่อ่านมันก็ไม่ได้แต่เราคิดอ่านปรุงฟุ้งซ่านเกินไปก็ไม่ได้แต่ทานยังไงสรุปแล้วก็คือให้รู้จักประมาณตัวนั่นรู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้ตัวรู้เขารู้เราจากนั้นก็ ถ้าอยู่ในโลกมันก็เป็นอย่างนั้นโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ควรนึสุดจะทํำยังไงควรนั้นพระพุทธเจ้าท่านกินไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นให้เกิดความเบื่อหน่ายคายไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงไปรุดพ้นจ้ะจากกิเลสอ่ะอย่ามายุ่งกับมันโลกอันนี้มันเป็นอนันตการมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แะมันหาที่สิ้นสุดไม่ได้สุ่มๆร้อนๆสูงๆต่ําๆทุกๆจากๆทุกๆสุขๆอยู่แง่ สุขก็ไม่ใครเป็นคนให้ตัวเองก็สมมุติกันขึ้นมาแต่ว่าความสุขมันเป็นความสุขที่แท้จริงหรือเปล่ามันก็ไม่มีใครยือนยันเดี๋ยวก็สุขเลี้ยวก็ทุกข์อย่อนั้นเดี๋ยวกับเราะเลี้ยวกักร้รองไห้อยู่แล้วผลในสุดออกมาจากใจทั้งหมดมกุศลธรรมะอกุศลธรรมะจำทาให้เป็นความคิดที่เป็นกุศลความคิดที่เป็นอกุศลอัปยากตาธรรมะจิตเป็นกลางๆจิตเป็นกลางกง น, น้อยมาก ออกมาจากมุ่งออกมาจากใจเรื่องราวต่างๆออกมาจากที่นั่นหมดให้ดูที่นั่นสติจับอยู่ที่นั่นดับลงที่นั่นจบลงที่นั่นไปพูดเรื่องอดอาหารเป็นเบื้องต้นการอดอาหารเป็นยังไงการไม่อดอาหารเป็นยังไงมัจมาปฏิปทาคืออะไรอัฐกิรมัมธาโยกคืออะไร การมสุขันลิกาคืออะไรมัชฌิมาปฏิปทาคืออะไรให้ดูตัวเอง